จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญจงุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันที่ท่านมีเวลาว่าจากภารกิจการงานจึืนได้ ตั้งใจหมาวัดเพื่อมาทำธุรกิจทางด้านจิตใจทางด้านบุญและกุศลเพราะจิตใ จ, จก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำเนุ้บังลงดูแลรักษาเพื่อให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างอีง่มหลังสำราญใจ บุญกุสลเปรียบเป็นเหมือนอาหารเหมือนเป็นยารักษาโรคเหมือนเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับจิตใจร่างกายถึงแม้จะมีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มพร้อมเพียงแล้วถ้าจิตใจ ยังไม่มีบุญกุศลจิตใจก็ยังไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคไม่มีอาหารไม่มีเครื่องนุ่งห่มร่างกายถึงแม้จะสบายแต่ใจกับมีความวุ่นวายมีความทุกข์มีความหิวมีความอยากเพราะใจไม่ได้ รับการทำนุบำรุงดูแลด้วยบุญกุศลนั่นเองใจยังมีโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคของใจก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจนี้กาทั้งที่เราก็มีทุกอย่างแล้วสำหรับร่างกายก็พอเพียงแล้วแต่ใจกลับอยู่ไม่เป็นสุขใจกลับมีความ ผิอมีความอยากมีความต้องการสิ่งต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเลยเพราะสิ่งที่มีความจำเป็นนั้นก็มีรครบครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเช่นตอนนี้พวกเราก็มีที่อยู่อาศัยกันมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่หงห่มมียารักษาโรคมีอาหารรับประทาน แต่ทำไมใจของเรายัางไม่พ อ, อยังทําไมต้องการอะไรอีกอยังต้องการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยังต้องการตําแหน่งยศถาบรรดาศัตว์ยังต้องการให้คนนั้นคนนี้ยกย่องสรรเสริญเยียจองยังต้องการมีเงินทองมากกว่าที่มีอยู่ทั้งทั้งที่ เงินทองที่มีอยู่นี้ก็พอต่อการดำร ง, งชีพแล้วแล้วมีมากไปกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทำให้ใจนี้มีความอิ่มมีความพอกลับกลับจะทำให้ใจอยากมีความหิว อ, อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเพราะความอยากนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีขอบไม่มีเคยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นถ้ามีความอย า, อยากอยู่ในใจแล้วความพอความอิ่มก็จะไม่เกิดขึ้นความอิ่มและความพอจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อความอยากนั้นหายไปเวลาใดที่เราไม่มีความอยาก เวลานั้นเราจะรู้สึกสบายใจพอใจพอเวลามีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่นิ่งเฉยเฉยไม่ได้เราจะต้องตะเกียกตะกายลื่นรนไปสแสวงหาสิ่งที่ใจอยากได้และเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใจถึงความพอ จับมีความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดูตัวเราเป็นสังเกตดูตัวเราเวลาเราอยากได้อะไรเราไปซื้อมาไปหามาพอหลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็อยากได้เสียงอื่นหม่แล้วเช่นเสื้อผ้าเรามีร่างกายเพียงร่างกายเดียวแต่เรามีเสื้อผ้าเป็นสิบเป็นร้อยชุด บางทั้งที่เวลาที่ใส่เราก็ใส่ได้เพียงชุดเดียวเสื้อผ้าเราก็มีอยู่เต็มตู้จนต้องไปซื้อตู้ใหม่มาเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นแตแล้วเกิดประโยชน์อะไรเรามีเสื้อผ้าเป็นสิบเป็นร้อยชุดแล้วเรารู้เรามีความรู้สึกว่าพอหรือยังหรือยังอยากจะได้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นไหม่ ทั้งที่ไม่มีที่จะเก็บแล้วนั่นเป็นเพราว่าความอยากเป็นแบบนี้ไม่มีขอไม่มีเขตไม่มีฝั่งไม่มีฟ้าน้าในมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังมีขอมีเขตมีฝั่งแต่ความอยางนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่ง ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพออย่างนั้นถ้าตราบใดยังมีความอยากอยู่ตราบนั้นก็จะหาความสุขไม่ได้เพราะจะต้องออกไปหาสิ่งที่อยากได้นี่คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโลเห็นว่าความสุขความอิ่มความพ อ, อนั้น ไม่ได้เกิดจากการสนองตอบความอยากความต้องการต่างๆแต่อยู่ที่การตัดความอยากต่างๆให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นที่ร่างกายต้องวีใช้อย่างนี้เราไม่เรียกว่าความอยากเช่นเราต้องการร่างกายถึงเวลาต้องรับประทานอาหาร อย่างนี้ไม่เรียกว่าความอยากเพราะเป็นความจำเป็นถ้าร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายก็จะต้องขอมงลงและตายไปในที่สุด <c oughs> การให้อาหารเท่าที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายไม่ใช่เป็นความอยากแต่เป็นความจำเป็นอย่างนี้ไม่เป็นโทษต่อจิตใจแต่การให้อาหารเกินความจำเป็นอย่างนี้จะเป็นโทษกับจิตใจ และเป็นโทษกับร่างกายเช่นร่างกายต้องการรับประทานอาหารเท่านี้แล้วเราให้อาหารมากกว่าสองสามเท่าเพราะใจอดที่จะรับประทานต่อไม่ได้รับประทานแล้วเห็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็อยากจะรับประทานโทษที่จะตามมาก็คือร่างกายจะ มีน้ำหนักเกินรูปร่างก็จะไม่สวยงามนั่งกายจะเป็นเหมือนตุ่มไปและก็จะมีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนจิตใจก็ไม่ได้มีความอิ่มทั้งๆที่กินมากกว่าที่ร่างกายจะต้องการแล้วจิตใจกับยังมีความอยากยังต้องการจะรับประทานอีก พอถึงเวลาที่จะต้องลดอาหารผ่อนอาหารเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายก็จะไม่สามารถทาได้เพราะความอยากของใจนี้เวลาที่เกิดขึ้นแล้วมันแสนจะทรมานถ้าไม่ได้ตอบสนองความอยากคนจึงอ้วนได้แต่ผอมไม่ได้ เพราะว่าเวลาอ้วนนี้มันทำตามความอยากอยากจะรดประทานตอนนั้นมีความสุขอยากจะรับประทานอะไรก็รับประทานไปรับประทานไปจนน้ำหนักเกินจนหมอบอกว่าต้องลดน้ำหนักถ้าไม่ลดน้ำหนักแล้วจะตายไปแต่ก็ลดไม่ได้เพราะความอยากมันเคยติดนิสัย พออยากกินอะไรพอไม่ได้กินแล้วก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราฝึกหัดคอยตัดความอยากทีละเล็กทีละน้อยไว้ก่อนแล้วเราค่อยๆขยับตัดไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถตัดความอยากได้หมดเช่นพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ตัดความอยากได้หมด ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีความอยากในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆท่านก็อยากรับประทานอาหารอยากจะดื่มสุราอยากจะหาความสุขทางรูปเสียงกียรนรสโผฏฐัพพะแต่ท่านกับเห็นว่าอยากแล้วได้มาแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอสักที จนเกิดความลำคาญเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาจึงได้ศึกษาก็ทราบว่าวิธีที่จะหลุดพ้นจากความอยากก็คือการฝืนความอยากต้องต่อสู้กับความอยากพระพุทธเจ้าก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังไปอยู่ในป่าในเขาเพราะถ้าอยู่ในพระราชวัง อยู่ใกล้กับสิ่งต่างๆที่ใจอยากก็จะอดไม่ได้เห็นอะไรก็จะอดอยากไม่ได้พอไปอยู่ในป่าแล้วสิ่งที่เคยเห็นสิ่งที่เคยได้ยินสิ่งที่เคยรับประทานก็ไม่มีแล้วก็เป็นการช่วยตัดความอยากไปได้เมื่อไม่มีสิ่งที่อยากให้เห็นให้ได้ยินให้ได้รับประทาน ความอยากก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ยังไม่หายไปเป็นเพียงถูกตัดกําลังออกไปเพราะไม่มีอะไรไปปลุกให้เกิดความอยากนั่นเองอย่างเราเวลามาอยู่วัดเราจะรู้สึกว่ารักษาศิ่งแตกได้ง่ายกว่าอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านมันมีอาหารอยู่ใกล้มือ มีเครื่องอำนวยความสุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุเครื่องเล่นอะไรต่างๆพอใจพอหันไปเห็นเข้าก็จะเกิดความอยากขึ้นมา mm hmm. เวลาจะไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นก็จะรู้สึกทรมานใจ เพราะคนอื่นเขาจะรับประทานอาหารกันพอเราได้กิ่นอาหารหรือเห็นเขารับประทานกันเราก็จะเกิดความอยากรับประทานขึ้นมาบางทีเขาก็ชวนเราเสีอีกทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเราถือศีลแปดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอดไปทำไมอดแล้วได้อะไรเขากลับคิดว่าการอดนี้เป็นการ พละมันตนเองไปป่าๆเขาก็เป็นห่วงสงสารก็อดไม่ได้ที่จะชวนให้เรารับประทานเราเมื่อถูกเขาชวนและมีความอยากอยู่ในใจอยู่แล้วก็เลยทนไม่ได้ก็ต้องไปร่วมรับประทานกับเขาแต่เวลาที่เรามาอยู่วัดนี้ทุกคนถือศีลแปหมือ น, น, นกันรือ อย่างพระนี้ท่านก็ฉันมือเดียวพอเราไม่มีคนรับประทานอาหารมื้อเย็นพอถึงเวลาเย็นเราก็จะไม่รู้สึกอยากรับประทานเพราะอยากก็รู้ว่าไม่มีอะไรจะให้รับประทานความอยากมันก็เลยไม่เกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปหมดไปเพียงแต่ว่าไม่มีใครไม่มีสิ่งอะไรไปปลุกให้มัน โผลขึ้นมาให้มันเติ่ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะตัดความอยากต่างๆเราก็ต้องไปหาที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่เราอยากเช่นเราอยากสูบบุหรี่เราอยากเดินสุราถ้าเราอยากจะหยุดไม่อยากจะเดินสุราไม่อยากจะสูบบุหรี่เราก็ต้องไปอยู่ที่ไม่มีสุราไม่มีบุหรี่ พอไปอยู่ที่แถวนั้นแล้วความอยากก็จะไม่ออกมาทําให้เรามีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้พอเรากลับมาสู่ที่มีบุหรีหรือมีสุราพอเราเกิดความอยากเราก็จะได้ใช้สติใช้ปัญญาสอนเราว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ดื่มเราไม่ได้สูบเราก็อยู่ได้ ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรทำไมเราจะกลับไปกลายเป็นท่าของบุรีกลายเป็นท่าของสุราอีกทำไมถ้าเรามีความเข้มแข็งและมีสติมีปัญญาใช้ใช้เหตุใช้ผลดูคุณดูโทษของการสู่บุรีหรือของการเดิมสุราพอเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มได้ รู้ว่าสุบุรีก็มีแต่เสียเงินเสียสุขภาพอายุสั้นลงเช่นเดียวกับการดื่มสุราเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเสียสติเวลาเดินมไปมากๆจนเกิดอาการบุนมังก็จะไม่มีสติประคับประคองตอนเองให้ตั้งอยู่ในความเรียบร้อยได้ กลายเป็นคนไม่น่าดูไม่น่าเคารพเลื่อมใสเป็นการเสียหายมากกว่าการได้การได้ก็คือการรู้สึกมีความสบายใจมีความสุขใจในขณะที่ได้เดื่มเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้วก็มีแต่ผลเสียหายตามมาและยังต้องกลับไปเดิ่มอยู่เรื่อยๆ เวลาใดที่ไม่ได้ดื่มก็จะมีความทุกข์ทรมานใจนี่คือเรื่องของความอยากเป็นอย่างนี้มีแต่จะฉุดลากเราให้เข้าสู่กองทุกข์ไม่ได้ฉุดลากให้เราออกจากกองทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเห็นโทษของความอยากจึงกล้าที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ ไปทำลายความอยากเพราะถ้าอยู่ในพระราชวังจะต่อสู้กับเขาไม่ไหวเหมือนกับศัตรูคือความอยากนี้มีอยู่มากมายแต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขาแล้วศัตรูคือความคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความอยากนี้มันมีน้อยลงโอกาสที่จะเอาชนะเขาจึงมีมาก แต่จะชนะด้วยความความอดทนอย่างเดียวนี้ไม่พอจะต้องชนะด้วยการทำจิตให้สงบเพราะจิตนี้เป็นเครื่องมือของความอยากเหมือนกับรถยนต์ความอยากนี้ก็เหมือนกับคนนั่งรถยนต์เวลาจะไปไหนมาไหนต้องมีรถยนต์ถึงจะไปได้ความอยากก็เช่นเดียวกันต้องอาศัย ความคิดปรุงแต่งของจิตเป็นเครื่องมือถ้าจิตคิดปรุงแต่งก็สามารถเอาความคิดนี้ให้ไปคิดให้ไปทำในสิ่งที่อยากได้เช่นอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปได้เพราะมีความคิดเริ่มต้นพอคิดอยากจะไปดูหนังฟังเพลงแล้วขั้นต่อมาก็เตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเอาเงินเอาทอง ใส่กระเป๋าแล้วก็ออกไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งที่ความอยากจะเอามาใช้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราจอดรถยนต์แล้วเราเอาคุณแจซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างนี้พอเราอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีรถยนต์พาเราไปดังนั้นต้นเหตุของปัญหานั้นอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งของเราถ้าเราต้องการตัดความอยากเราก็ต้องมาตัดตรงนี้ตัดตรงที่ความคิดปรุงแต่งเราจึงต้องนั่งสมาธิกัน เพราะเวลานั่งทำสมาธิแล้วเกิดผลขึ้นมาจิตจะสงบนิ่งจะหยุดคิดปรุงแต่งชั่วคราวตอนนั้นเราจะได้เห็นความสุขที่เกิดจากความหยุดคิดปรุงแต่งจะรู้ว่าอ๋อเป็นความสุขที่ดีกว่าการที่เราไปคิดปรุงแต่งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มาแล้วก็ไม่ไม่มีความสุขเหมือนกับ ในขณะที่จิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอะไรถ้าเราเห็นผลแล้วเพียงครั้งเดียวเราจะมีกำลังใจมีความกล้าหาญที่จะตัดความอยากต่างๆและสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปจนหมดสิ้นเลยเช่นพระพุทธเจ้าที่ได้ทำมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเคยมีเคยได้สัมผัสกับความอยากความสงบของใจมา ก่อนที่จะทรงออกบวชทรงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ความสงบนี้จึงทำให้พระองค์มีกำลังใจมีความกล้าหาญที่จะกล้าสละพระราชสมบัติแล้วออกไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อต่อสู้กับความอยากด้วยการทำจิตใจให้สงบเพราะ ดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสาคัญต่อการทำจิตใจให้สนุกควรจะมาฝึกหัดทำกันเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่รู้สึกว่ายากก็ไม่ใช่เพราะว่ามันยากเพราะอะไรที่มันยากเพราะว่าเราไม่เคยทำมันเท่านั้นเองเหมือนกับเราใช้มือที่เราไม่เคยใช้ ถ้าเราถนัดมือขวาเวลาเราต้องใช้มือซ้ายเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่คนที่เขาถนัดมือซ้ายเขาไม่รู้สึกว่ายากเลยเพราะเขาเคยใช้อยู่เป็นประจำแต่ถ้าคนถนัดมือซ้ายให้มาใช้มือขวาเขาก็จะรู้สึกว่ายากเพราะเขาไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยใช้มาก่อนแต่ถ้าลองฝืนหัดใช้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งแล้ว ต่อไปก็จะใช้ได้อย่างง่ายดาบางคนเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดมาแล้วที้กพิการไม่มีแขนอย่างนี้เขายังใช้เท้าทําอะไรได้เลยเขายังใช้เท้านี้เขียนภาพสวยกว่าคนที่ใช้มือเขียนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่ความถนัด และอยู่ที่การฝึกสิ่งใดที่เราไม่เคยเวลาทำใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ายากแต่พอเราฝึกทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเกิดเราก็พูดไม่เป็นเวลาจะพูดใหม่ๆก็รู้สึกว่ายากเพราะเราไม่เคยพูดแต่พอเราค่อยๆเรียน ค่อยๆหัดไปต่อไปเราก็พูดได้การลุกขึ้นมาเดินมายืนมาวิ่งก็ยากเวลาที่เรายังเดินไม่เป็นยังวิ่งไม่เป็นเวลาที่จะเดินเราก็ต้องล้มลุกคุกคานไปก่อนแต่พอเราฝึกทำไปเรื่อยๆไม่นานเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาจนในที่สุดก็จะกลายเป็นของง่ายไป การนั่งทำสมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำกันเราชอบใช้ความคิดปรุงแต่งของเราอยู่เรื่อยๆใช้จดติดนิสัยพอเราจะหยุดคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกท ร, รมานใจสังเกตดูเวลาจะต้องนั่งเฉยๆนี่ใจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ท, าทันทีโดยไม่มีสาเหตุอะไร มันเกิดจากความรู้สึกที่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ถนัดนั่นเองแต่ถ้าให้ทำในสิ่งที่ถนัดแล้วจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเช่นให้นั่งดูหนังทั้งวันทั้งคืนก็นั่งดูได้ไม่รู้สึกอึดอัดอย่างไรให้นั่งเล่นไพ่ทั้งคืนก็เล่นได้แต่พอให้นั่งทำสมาธิเพียง15นาที20นาที ก็จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเพราะไม่เคยนั่นเองดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าการนั่งทาสมาธินี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรที่ยากก็เพราะเราไม่เคยเท่านั้นเองถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะง่ายและผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ก็มีคุณค่าก่อก กว่าการนั่งทํำอะไรอย่างอื่นนั่งทําอะไรอย่างอื่นเช่นนั่งดูหนังล น, นั่งเล่นไพ่ไปก็จะไม่ได้ความสุขเหมือนกับการนั่งทําจิตใจให้สงบนั่งไปเล่นไพ่ไปถึงแม้จะได้เงินทองมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็สู้ได้ผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่ได้เพราะผลนั้นคือความอิ่งพอที่ จะไม่เกิดจากการได้เงินได้ทองมาแต่จะเกิดจากการได้ความสงบ พ, mm hmm. พอเราได้รับความสงบแล้วต่อไปเราจะไม่อยากจะได้เงินได้ทองไม่อยากจะได้อะไรอยากจะมีเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมีพออยู่พอกินไปถ้ามีมากกว่านั้นก็จะเอาไปถวายเอาไปทำบุญเอาไปสงเคราะห์ ผู้อื่นต่อไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขในใจกลับจะทำให้ใจไม่ค่อยสงบสี อ, อีกเพราะจะต้องมาคอยดูแลรักษานัวคอยจัดการหนัวคอยป้องกันเพราะว่าเงินทองนี้ถ้าไม่เก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยก็จะถูกลักขโมยไปได้หรือถ้าไม่ เอามาทำประโยชน์มันก็จะไม่งอกเงยขึ้นมาเงินก็จะหดลงดตัวลงไปเพราะค่าของเงินนี้จะหดไปเรื่อยๆตามเวลาเงินร้อยบาทสมัย20ปีก่อนกับเงินร้อยบาทในสมัยนี้มีคุณค่าต่างกันสมัยก่อนร้อยบาทซื้อของได้มากมายสมัยนี้เงินร้อยบาทซื้อได้ไม่เกี่ย ของอย่างเดียวกันแต่ซื้อไม่ได้เท่ากับเหมือนกับสมัยก่อนร่องเงินค่าของเงินมันหดไปเรื่อยๆดังนั้นเวลามีเงินก็ต้องคอยห่วงเรื่องดูแลรักษาค่าของเงินดูแลรักษาป้องกันไม่ให้ถูกลักขโมยไม่ให้ถูกเขาผู้อื่นมาช่อโกงต้องต้องรักษาป้องกันไม่ให้ไฟมาไม่มาทำลาย มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์กังวลใจผู้ที่ได้พบกับความสุขสบายทางด้านจิตใจแล้วจะเห็นโทษของการมีเงินมีทองมีข้าวมีของเกินความจาเป็นหลังเช่นนักบวชทั้งหลายท่านที่พบกับความสงบของใจแล้วจะไม่อยากจะมีสมบัติข้าวของเงินทองอยากจะ มีความสงบให้มากม า, กมากยิ่งขึ้นก็อยากจะออกบวชกันออกไปอยู่ตามสถานที่สงบสนักวิเวกอยู่ตามป่าตามเขากันนี่เป็นการบวชในสมัยพระพุทธการเป็นอย่างนี้บวชเพื่อหาความสงบไปอยู่ตามป่าตามเขาเพราะห่างไกลจากสิ่งที่จะก่อควนจิตใจแต่ในสมัยนี้เขาไม่ได้บวชกันแบบนั้น เขาหวนอยู่ในบ้านในเมืองกันแล้วก็หาสิ่งต่างๆที่คนที่ไม่ได้บวชเข้าแสวงหากันบวชแบบนี้บวชไปจนวันตายก็จะไม่ได้พบกับความสงบเพราะความสงบไม่ได้อยู่กับในบ้านในเมืองความสงบนี้ต้องอยู่ในป่าในเขาเสียมากกว่านี ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะให้เวลากับการทำจิตใจให้สงบลองมาทำสมาธิกันดูถ้าเวลานั่งเบื้องต้นเวลาเราจะกาหนดพุทธโธพุทธโธไปบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้วรู้สึกว่ามันยากเราลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แทนที่จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธ เราก็สวดมนต์ไปสวดอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนไปสวดบทที่เราจำได้สวดกลับไปกลับมาไม่จำเป็นจะต้องสวดหลายบทก็ได้สวดบทใดก็ได้เหมือนกันจะชินบรรจงหรือจะสวดบทนั้นหรือบทนี้ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการทำจิตให้สงบ การส่วนนี้เป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเหมือนกับเวลาเราเย็บผ้าเราต้องใช้เข็มเป็นตัวดึงได้ให้ติดอยู่กับผ้าเย็บให้ติดอยู่กับผ้าแต่เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาเข็มติดไว้กับผ้าเข็มเป็นเพียงอุบายเป็นเครื่องมือในการเย็บผ้า ฉันใดบทสวดมนตต่างๆหรือกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่ก็เป็นเหมือนกับเข็มเป็นเครื่องมือจะใช้อันไหนก็ได้ที่มันถูกกับจริต ก, กับเราที่เหมาะสมกับเราเหมือนกับเวลาเราเย็บผ้าเราก็มีเข็มหลายขนาดเราก็ใช้เข็มที่มันเหมาะกับ ความต้องการของเราในขณะที่เราเย็บผ้าถ้าเราต้องการเข็มเล็กเราก็ใช้เข็มเล็กถ้าเราต้องการใช้เข็มใหญ่เราก็ใช้เข็มใหญ่เพื่อที่เราจะได้เย็บผ้าให้มันติดกันชันใดการทำจิตใจให้สงบก็ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมือนี้เราเรียกว่ากรรมฐานเช่นบทสวมดมนนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง การบริการพุทธโธพุทธโธพุทธโธก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการดูลมนหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเช่นเวลาลมหายใจเข้าหน้าท้องก็พองออกมาบางท่านเขาสอนว่าเวลาพองก็บอกให้คิดให้คิดว่าพองหนอเวลาหายใจออกไปหน้าท้องก็ยุบเข้าไปก็ให้ว่ายุบหนอ จะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็แล้วกันให้รู้ว่ากาลังหายใจเข้าหรือกาลังหายใจออกอย่าไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเป้าหมายของเราในการทำจิตให้สงบก็คือการลังับความคิดปรุงแต่งนี่องดังนั้นถ้าเรานั่งไปและเราคิดปรุงแต่งไปด้วยแล้วต่อให้นั่งไปอีกสิบชาติมันก็จะไม่สงบ พราความสงบนี้ต้องอยู่ที่การไม่คิดปรุงแต่งพอเราเริ่มสวดมนต์แล้วเราก็อย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงคนนั้นถึงคนนี้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปไเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดถึงว่าสวดไปแล้วผลจะเป็นยังไงจะสงบเมื่อไหร่จะสงบได้หรือเปล่าอย่างนี้อย่าไปคิดไม่ให้คิดทุกอย่างเลยให้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียว ถ้าเราใช้บทสวดสวนมนต์ถ้าเราใช้พุทธโธก็ให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจเข้าออกบางท่านก็ชอบใช้สองอย่างก็ได้บางทีหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่จำเป็นกับทุกคนบางคนเห็นว่ารู้สึกลำคางไหนจะต้องดูลมไหนร้องมาคิดถึงคำว่าพุทคิดถึงคำว่าโธ บางคนก็ยาเอาคำพุดโธอย่างเดียวบางคนก็จะดูลมอย่างเดียวได้ทั้งนั้นวิธีไหนก็ได้ที่เราทำแนละ้วเรารู้สึกว่าเราสบายแล้วง่ายต่อการกระทาเราก็เอาวิธีนั้นแต่ผลที่เราต้องการก็คือความสงบนิ่งของใจคือเมื่อทำถึงจุดหนึ่งแล้วใจมันจะวุบลงไปเหมือนกับเดินตกหลุมตกบอ่อมันจะวุบลงไปแล้วมันจะนิ่งจะสงบ แล้วจะเกิดความรู้สึกเย็นเกิดความสุขเกิดความสบายเกิดความอิ่มพอขึ้นมาพอเกิดผลอย่างนี้แล้วจะไม่สงสัยจะไม่ถามใครว่าผลที่เกิดจากการนั่งนี้เป็นอย่างไรแต่การนั่งใหม่ๆนี้ผลจะปรากฏขึ้นเพียงเดี๋ยวๆแล้วก็จะกลับมาถอนออกมา ก็ไม่เป็นไรต่อไปถ้าเรานั่งไปมากขึ้นนกนานขึ้นต่อไปมันก็จะสงบนิ่งนานขึ้นไปผลจะได้มากได้น้อยนี่อยู่ที่การปฏิบัติมากหรือน้อยถ้าปฏิบัติมากก็จะได้ผลมากจ ะ, จะปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลก็อยู่ที่ว่าเรามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งหรือไม่ ถ้ามีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีโอกาสที่จะสงบอย่างรวดเร็วก็จะมีมากถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจใจชอบหนีไปคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆก็จะสงบยากบางวันเราจะรู้สึกนั่งแล้วสงบยากก็แสดงว่ามันนั่งสติไม่ค่อยดี บางวันนั่งแล้วรู้สึกว่าสงบง่ายแสดงว่าวันนั้นสติดีดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างง่ายดายเราควรที่จะฝึกตั้งสติก่อนที่เราจะนั่งคืออย่ามารอตั้งสติตอนที่เรานั่งมันจะไม่ทันการเราควรฝึกตั้งสติไปทั้งวันเลยเพราะเราสามารถตั้งสติได้ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เช่นเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอย่าไปปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่ น, ำนาา be กำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารให้รู้อยู่ว่ากาลังรับประทานอาหารอย่ารับประทานไปแล้วก็คิดถึงเรื่องงานที่จะทาหรือเรื่อง with, เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ให้อยู่กับเรื่องอาหารอย่างเดียวกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกาลังนั่งก็ให้อยู่กับการนั่ง ไม่ว่ากําลังทําอะไรให้มีสติอยู่กับการงานที่เรากําลังทําอยู่อย่างนี้เราจะมีสติพอเราจะมานั่งทำจิตให้สงบก็จะง่ายให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็จะอยู่จะไม่คิดไมจ่จะไม่หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับบริการบริการพุทโธก็จะอยู่กับการบริการพุทโธการทําสมาธินี้ก็ทําได้ทั้ง ในเอีรยาบทต่างๆนอกจากในท่านั่งแล้วถ้าเรานั่งแล้มเมื่อยอยากจะลุกขึ้นมาเดินเราก็ยังทำสมาธิต่ตอได้เราก็ยังพุทโธพุทโธต่อไปได้ยังสวดมนต์ไปภายในใจต่อไปได้ไม่เป็นปัญหาอะไรจะอยู่ในเอิรยาบทใดก็ทำได้ดังนั้นจึงขอให้เราพยายามทำกันเถิดแล้วเราจะได้สิ่งที่มีค่ามีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของเรา ยิ่งกว่าสื่ออื่นใดเพราะนี่คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้แหละเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราส่วนทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็กลายเป็นของคนอื่นไปแต่ทรัพย์ภายในนี้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ยังอยู่กับจิตใจจะเป็นผู้ที่จะคอยเลี้ยงดูจิตใจเป็นผู้พาจิตใจให้ไปสู่สุขติ ไปสู่พบชาติที่ดีไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงอยู่ที่ความสงบนี่เองจึงขอให้ท่านจงพยายามใช้เวลาของชีวิตที่มีค่านี้เพื่อการสร้างความสงบให้แก่จิตใจมีเวลาว่างก็หามุมสงบแล้วก็ทําจิตใจให้สงบให้นิ่งเวลาทําธารกิจการงานต่างๆ ก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานนับรองได้ว่าชีวิตจะดีขึ้นไปจะมีความสุขมากขึ้นไปจะมีความอิ่มความพอมากขึ้นไปตามลำดับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เพื่อให้มาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสร้างความสุขและความเจริญ ให้การชีวิตจิตใจต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เกี่ยงเศราีขอคุณพระศีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบรรเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ นั้งในทางโลกและานทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ